วันที่สเราเกาะในที่ทํางานเช้านี้ตื่นตีสีตามเคยยังไม่เคยชินนักกับเวลาตื่นใหม่กลนบึ้งของหัวใจอยากล้มตัวลงนอนต่อแต่ส่วนสํานึกที่อยู่ชั้นนอกก็บอกตัวเองว่าความพ่ายแพ้ต้องเวียนไหวตายเกิดยืดยาวเป็นนิรันต์มักเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเช่นการยอมล้มตัวลงนอนต่อนี่เอง คิดได้ก็กัดฟันลุกขึ้นล้างหน้าบ้วนปากแล้วกลับมานั่งซ้อมรู้ลมกันอีกรอบฉันเอาตามคติในการภาวนาแบบเมื่อวานคือรู้ได้เท่าที่รู้รู้ไม่ได้ก็ช่างไม่พยายามฝืนบังคับให้รู้ตลอดแต่รอบนี้ช่างต่างจากตอนนั่งใต้ร่มไม้เป็นคนละเรื่องคือพอทําใจไม่รู้ก็ช่างมันไปได้เดียวเดียว ความโงกง่วงก็กลับมาถามหาทั้งเมอทั้งฟุ้งยุ่งจับลมไม่ติดเลยสักระลอกเป็นวันทำงานวันแรกฉันหาวบ่อยเพราะยังไม่เคยชินกับการตื่นผิดเวลาแถมเวลาที่เสียไปในช่วงเช้ายังดูเหมือนศูนย์เปล่ากับการเฝ้าบอกตัวเองว่ารู้ได้เท่าที่รู้ซ้ำไปซ้ำมาแต่พร่ำบอกเท่าไหร่ ก็ไม่ค่อยจะรู้สักทีเหมือนย่ำกับที่ซ้ำอยู่กับพวังเมอหรือฝุ่นฟุ้งทางอารมณ์เสมากทำงานแบบสลึมสลือแต่พอเข้าห้องประชุมแล้วโดนคู่อริเล่นงานต่อหน้าใครต่อใครฉันก็ตาตื่นโพล่งทันทีขึ้นเสียงเถียงกับฝ่ายตรงข้ามอย่างมีอารมณ์แย่จังเถียงเสร็จก็ต้องมาพยายามนั่งสงบสติ ใจเดือดปุดปวดเหมือนน้ำร้อนจัดอาการหน้ามืดเพราะโทสะทําให้โลกมืดได้จริงมองไปทางไหนเหมือนมีม่านหมอกดำดำคลุมส่วนลมหายใจนั้นไม่ต้องพูดถึงเราวอยู่คนละโลกกับชั้นเรียบร้อยต่อให้ใช้กล้องดูดาวหรือกล้องจุลทรรศน์ ส, ส่องก็ไม่มีทางเห็นเลยเห็นแต่หน้าเจ้าวายร้ายที่เล่นงานชั้นในห้องประชุมวนเวียนหลอกหลอนอยู่ตลอด เวนเขาต้องเรียกเวนจริงๆเรียกอย่างอื่นไม่ได้มันกับฉันจะต้องจองเวนกันมาหลายชาติเจอหน้าทีแรกก็เหมือนมีกลิ่นเหม็นๆระเหยออกมาเข้าจมูกแล้วยิ่งคบยิ่งทำงานกันนานก็ยิ่งเกลียดเข้าไส้เวลาต้องเดินสวนกันในบริษัททางเดินเหมือนแคบลงถนัดใจไม่รู้จะมองหน้ามองตากันท่าไหนดี มันชอบยิ้มแยะหาเรื่องชั้นเสียด้วยกว่าจะรู้ตัวว่าเสียสติให้กับการหมกมุ่นครุนคิดเรื่องศัตรูก็ป่าเข้าไปครึ่งค่อนวันฉันควักสมุดพกออกมาแล้วตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าทางไปนิพพานหายไปไหนเพื่อศัตรูฉันยอมหลงเข้ารกเข้าพงฉันยอมสละทางไปนิพพาน ฉันยอมลืมลมหายใจอันเป็นราวเกาะนี่ฉันให้ความสำคัญกับศัตรูขนาดนี้ทีเดียวเหรอพอเขียนข้อความใส่สมุดพกเสร็จก็ถอนใจยาวการถอนใจครั้งนั้นมีความหมายมากเพราะหนึ่งมันทำให้สติฉันกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งดุดเดียวกับคนล้มแล้วนึกได้ว่าต้องยืนขึ้นคว้าราวเกาะ และสองมันทำให้ชั้นวางศัตรูลงคล้ายมโนภาพอันน่ารังเกียจถูกระบายออกตามลมหายใจสู่อากาศว่างเบื้องนอกในหัวชั้นว่างเปล่าลงทันทีจิตใจสงบพอจะรู้ว่าลมหายใจเข้าถัดจากนั้นปรากฏขึ้นเมื่อไหร่แค่รู้ว่าลมออกเมื่อไหร่รู้ว่าลมเข้าตอนไหน ก็ทำให้ศัตรูทั้งคนหายไปจากโลกนี้แล้วเออทำไมไม่รู้เสียตั้งแต่ครึ่งวันก่อนเนาะนั่งลืมตานิ่งรู้ลมหายใจเกือบห้านาทีจนมีคนมาคุยเรื่องงานก็ต้องทุ่มความคิดให้กับงานไปฉันมาบันทึกในภายหลังว่าเป็นคาราวาสจะเลือกไม่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งต้องทุ่มให้กับงานก่อน พอต้องคุยกับคนพอต้องคิดเรื่องงานพายุความคิดก็ก่อตัวใหม่ลมหายใจไม่ต้องดูกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะได้เวลาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งก็ตกเย็นซึ่งเลยเวลาเลิกงานมาเป็นชั่วโมงแล้วฉันนั่งสะสารงานประจำวันจนเสร็จด้วยความอ่อนล้าลืมลมหายใจลืมเรื่องการปฏิบัติ ลืมนึกถึงมรรคผลนิพพานอันเหมือนเรื่องไกลตัวสุดกูไปแล้วขับรถกลับบ้านระหว่างทางถามตัวเองเป็นการปลุกสติอยู่เรื่อยๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้เท่าที่รู้ไม่รู้ก็ช่างมันเดี๋ยวกลับมารู้ใหม่เองแต่การทำเช่นนั้นขณะอ่อนล้าและฟุ้งยุง่งตามความเป็นจริงคือ หลุดยาวหายนานและเมื่อลอยไปถึงไหนตอนไหนเพื่อนร่วมงานตัวแสบโผล่กลับมาเยี่ยมอีกฉันอยากให้สมองเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำหนดสั่งได้ว่าจะให้ดักเขาโครงหน้าแบบไหนไม่อนุญาตโครงหน้าแบบนั้นเข้ามาสู่จิตใจแต่สมองมนุษย์ก็ไม่มีปุ่มกดเลือกตามปรารถนาเมื่อเขามาเขาก็มาห้ามไม่ได้ เลิกคิ้วนิดหนึ่งระหว่างจอดไฟแดงเห็นสภาพจิตใจตนเองในบัดนี้เหมือนเด็กน้อยที่กำลังขายังไม่แข็งพอมือพลาดจากราวเกาะก็หกล้มหกลุกทันทีแต่ขณะเดียวกันก็เห็นหัวใจของคนไม่ยอมแพ้ยังมีแก่ใจลุกขึ้นสู้ด้วยจิตวิญญาณความเป็นพุทธที่ไม่ยอมเป็นรองกิเลสนานนักฉันใช้ขันติเล็กน้อย เกือบกัดฟันนิดๆเมื่อตั้งสติรู้ว่าลมหายใจกำลังอยู่ในจังหวะไหนออกหรือว่าเข้าวินาทีนั้นคือขาเข้าฉันรู้สึกทรมานที่ต้องฝืนจิตไม่คิดถึงศัตรูคิดถึงแต่ลมหายใจอย่างเดียวอ้าวตายละเลิมอีกแล้วนี่ฉันต่อสู้กับความคิดตัวเองเหมือนต้านกระแสน้ำเชี่ยวกราก เดินทวนอย่างอืดอาดกลับมาหาลมหายใจอีกครั้งฉันกับพริบตาปริบๆเริ่มงนงงสับสนว่าจะเอาไงฝืนใจก็ไม่ใช่ปล่อยใจก็ไม่ดีแล้วที่อยู่ตรงกลางคืออะไรความเครียดปรากฏเด่นหายใจออกเหมือนระบายความเครียดได้หน่อยหนึ่งหายใจอีกครั้งคล้ายลืมลืมศัตรูไปเสียได้ และความเครียดอ่อนกำลังลงตาสว่างกระจ่างพลันเพอเอินรถติดไปแดงยาวเลยมีเวลาพิจารณานานหน่อยฉันก็แค่ปล่อยให้ความเครียดเกิดขึ้นด้วยอาการยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นพอระบายลมหายใจออกจนสุดครั้งต่อไปก็สังเกตว่าความเครียดอย่างเท่าเดิมหรือไม่ ความไม่เที่ยงก็ปรากฏต่อใจแล้วเมื่อใดใจเห็นความไม่เที่ยงโดยปราศจากอาการครุ่นคิดต่อเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระเบิกบานถึงกับยิ้มมุมปากและนึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานตัวดีที่ช่วยส่งอารมณ์มาป้อนปัญญากระหยิ่มใจจนนึกอยากให้ความเครียดกลับมาใหม่ฉันรู้วิธีดูแล้ว ก็แค่ตั้งสติกำหนดเหมือนมันเป็นลมหายใจพอเข้ามาจนสุดแล้วก็ต้องผ่านกลับออกไปเป็นธรรมดานั่งสมาธิก่อนนอนคืนนั้นก็เป็นดังคาดมโนภาพเพื่อนร่วมงานปากร้ายผ่านเข้ามาในหัวเจอมันด่ารับปีใหม่เชื่อเลยจริงๆแต่ฉันก็อาศัยช่วงเวลานั่งหลับตาทำสมาธินั่นเองเป็นเครื่องซ้อมกล่าวคือ เมื่อความจำเกี่ยวกับศัตรูผุดขึ้นฉันทำอาการเหมือนเห็นการปรากฏของลมหายใจต่างแต่ว่าความจำเป็นนามธรรมรับรู้ได้เพียงด้วยใจทราบตามจริงว่ามีอาการทางกายตอบสนองคือคล้ายกล้ามเนื้อหลายๆส่วนบีบแน่นขึ้นที่เห็นชัดคือหัวคิ้วขมวด เปลี่ยนมารู้ลมหายใจเข้าระลอกต่อมารู้ว่าพอสุดทางแล้วจะต้องระบายออกเป็นธรรมดาเมื่อระบายออกจนสุดแล้วสังเกตอาการทางกายก่อนพบว่ามันผ่อนคลายจากเมื่อครู่หัวคิ้วไม่ขมวดแน่นอาการบีบตามเนื้อตัวย่อนลงหน่อยหนึ่งส่วนความฟุ้งแน่นในใจแม้ยังคาอยู่ ก็ไม่มีแรงดิ้นอย่างครั้งแรกที่ความจำผุดขึ้นสลับไปสบายกับลมหายใจอันว่างเปล่าทั้งขาเข้าและขาออกแล้วกลับมานึกถึงคู่อริอีกผลัดเปลี่ยนเวียนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจส่วนลึกยังมีความแค้นแค้นคันคันแต่ก็มีใจเดียวมุ่งมั่นรู้ให้ได้ว่ากําลังหายใจออกหรือหายใจเข้า กับทั้งเฝ้าเปรียบเทียบทุกครั้งว่าความเครียดแน่นต่างระดับไปจากลมหายใจก่อนหน้ามากน้อยเพียงใดจนในที่สุดก็เกิดประสบการณ์ครั้งสำคัญคือพบความเสมอกันระหว่างรู ป, ปธรรมกับนามธรรมนั่นคือมันเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปเป็นธรรมดา ถ้าจะพูดให้ฟังจะเหมือนเข้าใจได้แต่ตอนประจักษ์ด้วยจิตหลังการมีสติรู้เห็นตามจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งจิตโล่งว่างสว่างรู้นั้นต่างกันมากกับเข้าใจด้วยความคิดฉันยิ่งเห็นค่าความสําคัญของราวเกาะเพราะไม่แต่จะทำให้สติมีเครื่องเกาะให้ลุกขึ้นยืนและก้าวเดินคืบหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกลัวหลง แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องแบ่งเวลาออกเป็นขณะขณะเพื่อเปรียบเทียบความอ่อนแก่ของอารมณ์สุขทุกข์ได้ด้วยสรุปในคืนที่สามเริ่มมองเห็นความสำคัญของเราเกาะอย่างลึกซึง้งตราบใดที่ยังเกาะราวอยู่ถึงแม้เท้าลื่นเซถลาไปบ้างก็ไม่ถึงกับล้ม หรือแม้ล้มแล้วรีบกลับลุกขึ้นคว้าราวใหม่ก็ไม่สายแถมยังได้เครื่องแบ่งจังหวะเวลาทำให้สะดวกเมื่ออยากเทียบเคียงอารมณ์หนึ่งหนึ่งว่าอ่อนหรือแก่กว่าจังหวะก่อนหน้าเพียงใดด้วยและฉันก็ตระหนักด้วยว่าความโกรธใครบ่อยๆที่เรียกพยาบาทนั้นไม่ใช่ถูกเบียดตกด้วยการแทรกแซงจากลมหายใจครั้งเดียว แล้วหายขาดมันยังย้อนกลับมาอีกได้เหมือนบูมมแรงวิเศษเวียนมาเยี่ยมรอบแล้วรอบเล่าเหมือนไม่รู้จบแม้คว้างออกนอกตัวกี่ครั้งกี่หนก็ตาม